จักสัคอัคควรตอรหะตสัมมาสัมพุทธสังฆมุตตะสัคอคควรตอรหะตสัมมาสัมพุทธสนมตสควาตสัมมาสัมพุทธสสุสสังปังี นาโอกาสัปนี้อะตมาภาพเสสแดงทระธรรมทุตเวนาตืารรร่นกลางคืนก็ฟังเป็นเื่นหตุแต่ะว่าวันนี้ตป็วันที่พฤศจิวาคุมสองพันห้าร้อยสามสสี่เป็ันเสาขึ้นไปขั้นเดือนหนึ่งเส้นประมุนวนดาวให้พุทบริษัทอาจจะฟังเสียงได้ชัดเจนเพราะว่าหนึ่งข า, งางข้างช้ายบวมสองแขนช้ายบวม สามหนาบวมสีทิึนบวมเพราะว่าเราตอนเช้าฟังเสียงจักรวิทยุประเทศไทยของเราวันคระก็จะตั้งใจม า, ทารรเทศในการเทศน์นี้อาจจะฟังไม่เข้าใจนักเพราะเสียงไม่ชัดเจนงละคลาดคลายด้วยเป็นว่าวันนี้ะเทศเรื่องการฟังดีที่พระเจ้าทรงตรัสสดุดีสังและประตูปัญญากันฟังดีย ด, ดีงจะได้ปัญญา การฟังดีก็ห้ายวา่าหนึ่ง 1, ตั้งใจฟังสองตั้งใจจำสามตั้งใจงปฏิบัติตามปฏิบัติตามไม่รู้ใจย่อก็ยังมีผลอย่างนี้เองฉับเด็กระท่านเคยกล่าว่าเป็นการฟังดีแต่การเทศน์วันนี้บรรดาท่านผู้บริสุทธิ่ได้ที่ว่าจะตังอุทิศบริบาการศูนยประเทศ ก็เห็นว่าบรนดาเจ้าพุทธบรษัทนี่เจนิสภาวะไม่เสมอกันเป็นนักปฏิบัติบ้างไม่ใช่นักปฏิบัติบ้างก็ขอยายไปเป็นเรื่องท่านที่จะโจรแทนเพราะอาการปฏิบัติธรรมของบรนดาเจ้นพุทบริษัททุกคนที่ตั้งใจมาทําบุญอย่างวันนี้บรรดาเจ้าพระบริษัททั้งหลายก่อนจะมาไหว้กุศลว่าทีวัดทีพระพุทธรูป เราไปฟังโคตรในพุทธโลกโดยการนึกสอที่รับคืการสวดสวดเทวดาธรรมถ้าตั้งใจไปฟังประธรรมโดยการนึกสามที่วัดมีประสงค์และตั้งใจครพประสงค์เท่าละถวายทางประสงค์เอาสามโดยการโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเจ้าพระทัยสัจชายก็มีประสงค์มากแล้ ว, ก, ลวก็รื่องหนึงการนึกถึงโลกพุทธโลกเป็นพุทธามติมธรรมาน เป็นกรรมฐานที่นันบนดาเจาาพุทธบริษัทที่ไม่ต้องการไปรองบายภูาามิในการเลือนสรรการฟังธรรมเป็นปัจจัยเกิพปัญญาไปเหตุจะเกิดบรรลุษลในการเลือกสารอันดา ญ, ญาโยมพุทธศาสนิกชนมาถว า, ายสังฆท า, านการะทัสสง่งทานแก่ผู้ส่งเป็ดดนการเป็นผู้เป็นสังคานกเสด้จยุตรคาเบ็นปรธานบารีด้วยก็มีอันทรงมาก กุลการในสงโดยเพาะอย่างยิ่งคือนึกถึงะพทธเจ้าการนึกถึงพระเจ้าธรรดาเั็นพบริษัทธึกถึงยความครพซึ่งตรงข้างกับพระเจ้าคดีพระบุตรพระจุ้คดีพระบุตึกถึงพระเจ้าด้วยในใจงขอมเารตั้งใจเรวยให้สายหายโรคเพราะว่ากูนี้เขาไม่เคยเคาพรพุทธศาสนาเขาไม้ราว่าถึงก็เลยบดีขนาที่นึกถึงอยู่น <hatten. S 2> ั่นก็ปรากฏเขาก็ตาย ตายจากความเมื่อคนก็จะเกิดปเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้ น, านดาวเรืองหรือบนโลกมีงานทางคำไม่ได้ อ, อยู่มีงานฟ้าหนึ่งพันลึมารีวนันต่อมาพรามผู้คนพ่อไปถามพระเจ้าว่าถ้าสมณโคดมคนที่นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวไม่เคยใส่บาทไม่เคยพังเท้าไม่เคยยกมาไหว้ตายจากความเมื่คนนั้จะเกิดบนสวรรค์หรือไม่ม องฉันเด็กประจอมใจบริบูรณ์ากธรรมดาเพื่อนตักัรบร า, บาวาร่าพระปณะโดยก่อนลามคนที่นึกถึงสื่อสถานคดอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยเสด็จบาทรไ่เายบำเทศตายแล้วไปเสิดไปสวรร์ไม่ใช่ทั้ร้อัพันนัถึงกูกูตั ว, ตว อ, อ, อย่างลูกชายของท่านลูกชายของท่านไม่เคยมือฟโกรธสสาคด เาทขปวยจาก็อม่ช่วยได้ได้เขาเล่าถึงพระไตรสนาคมหลวงพ่อเจ้าคุณตนเขาพระสมณะโคดมายช่วยทรงเข้าหายจากคามเป็นโรคเขาชี้แคงดิเวลาที่เขาเปิดบทสอนท่านดาวดีงหลังจากนั้นพระเจ้าทรงเรือกพระจากุฏีเพื่อบุให้มาแพร่เมลีมานพระกุฏีตพื่อบุดเข้มาเมลีมานลงต่ำเพื่อเข้าก้าวลงเฉลี่มานข้าพเจ้ารำพุทธเจ้า พระเจากระส่งเทพเจวาเวดาจะคงก็ฟังได้ื่อส่งเทศเจดจบมัต้องเป็นษทาก็เป็นมาสวดาบันพ่ากัคนหลากหลายที่เยี่ยที่ได้ก็เป็นมาสวดาบันไปด้วยนี่โดเฉพาะอย่างยิ่งครราทธานพุทธวจนะชายยิ่ตั้งใจมาวัดเพียงแค่นมืถึพงได้พเจ้าก็เป็นสงฆ์ขนาดนี้แล้วต่อไปก็ตั้งใจสงายสงฆาในศาสนาองค์พระเจ้าทธเจ ลายตรงการหวายของทานการเรียกพระเบญดาท่านพระบริษัทดิท่านจะมาสุดหนึ่งช้อนนู่นสองช้อนก็ตามทีทเพราะจะรว่าพระที่นั่งเิกินกว่าส่อง์พระตแต่สีองค์ข้ไปก็ถว่าเป็นขณะสถวายของอะไรก็ตามในอนนี้นสูม า, าา ม, มากของจะน้กวตามของจะมากกว่าตามไม่มีความสาคัญ การายสงฆ์ทาง น, นี้นั้นอย่างต่งตายใจความรู้คนเขาเป็นแบบเป็นสวรรค์ชันดาวทั้ก็โลกต่แ ย, า ง, งง า, ยางเ ม, มเ็นตระกายเขา็นแบบเป็นสวรรค์ชันห้าตัวตัวอย่างอิทธการที่ประหุตอิทธิการที่บุตเป็นลูกชาวป่าพ่อตายแล้วเจ้นแม่เป็นคนจนมากตัดฟืนเรื่องแม่เป็นวันวันหนึ่งวันหนึ่งวากอดร่าพแลก็ศาสนาเดินไป เวลาใกล้เวลาอาหารท่านอุระกาเวลาท่านก็คึกว่าเราเป็นชาวตาไม่เคยจะทาบุญถ้านบุได้อยากทำเพราว่ามน่งเป็นคนจงด้วยสองหยุดใจเตือนใจด้วยโอกาสท่านก็เนยสาวก้องเขาดกป็นโลกอาถโดยไปที่นั้นแล้วก็ถวายทานถวายข้าวถวายแก่ไอ้ชาวปาก็ไม่มีอะไรมาก เราอาจะจะมีผึ้งมีผักต้มเนื้อบ้างาเล็กๆน่อยก็พาพระอินทได้อย่างนี้ก็ถือเป็นสวายสังฆทานอาศัาายการเป็นสวายสังฆทานข้างเดียวในชีวิตเป็นความเื่มใสตายจากความเนคนไปเกิดเป็นสนนรวรรค์ชั้นดาวเรืองเจอโลกเป็นเทวดาทูมีหน้ภาพมากว่าเทวดาอื่นทั้งหมดยบรรดาทั้ผู้ริสัทธ์เพ็าะจะถวายทานนะ พรุจายตรัสว่าการถวายสงฆทานครั้งหนึ่งในชีวิตแม้ว่าจะเป็นขรั้งเดียวก็ตามถ้าคนจากขร า, าว า, ารไดากป็ดนงฟ้าแล้วถ้าระเกิดเป็คนในสถานที่ไหนเป็นในความยากจนเฉยใจมีควา ม, ญญา ม, าวามทุกข์ยากมากคนถวายสงฆ์ทานแล้วไม่เกิดที่นั่นในที่ไหนมีความ บ, บูรมาสองบูรณนถวายทานไม่จะเกิดที่นั่นก็เพวาะว่าคนถวายสงฆ์ทานแล้วครั้งหนึ่งนในชีวิต ตายจากความเป็นเสมือนเจ้าจุนพดาเป็นนางฟ้าเป็นลงมาก็เป็นคนรวยฐานะของคนในชาตินี้ที่ไม่เส ม, มอกันต่างโครงกางก็ดีการให้ทางในเข็มกุฏันไม่เส ม, มอกันการให้ทานกับคนที่ไร้สินไร้ธรรมให้เราไม่มีอะไรสองให้ทานกับคนที่เคยมีสินบ้างแต่สินขาดแล้วก็เข้ามาอีกสองบ้าง ให้ทางถ้าดูมีสุงทรภู่ก็มีโนสง์มากขึ้นเ้ื hit, ่อถวายทับพระอริยเจ้าก็เป็นสง์มากขึ้นบ้างอีกถวายทางพระเจ้าก็เป็นสง์มากขึ้นพ้าพระเจ้าจงจำว่าการถวายทางพระเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายชนทันหนึ่งครั้งการถวายชไทันธรรมดาเท่ากับริษัทบันมีก็เป็นปัจจัยขุดีเลยในการัลยซัมสมบัติทางหน้า เหมายความ ต, ตายจากความเป็นคนให้เกิดโดยธรรมดาเกิดนางพา ร, ตราตระมาปุณณะก็ต้องเป็นมหาเศรษีแล้วก็ต้องเป็นไปดีกว่าจะทอนิพันธ์เพราะในสองคติฐานไม่หมดการไปกทจำเรื่องจำเรื่มงนนการสูตรมาเพื่อจะบรรดาจะพุทธบริษัทโต่การที่บรรดาจะพุทธบริษัทโดยส่วนมากที่เกิดมาในโลกนี้พวกคนทําแต่บุญไม่มี ต้องมีบาปด้วยมีทั้งบุญก็มีทั้งบาปผสมกันก็จะบอกไม่มีใครทั้งนั้นเส ม, มอกันทั้งหมดแพราว่าทําไมบางคนปเป็นลูกดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างไปผู้ผ่านบ้างก็มีหลายท่านที่มารกทั้งนี้เพราะไม่มีความเข้าใจในการตั้งกําลังของจิต จ้าองคทั้งมก็กมทำมาสามพุทธะแม่นามว่าพุทโเวดุกับพุทธสุตัหลายท่านทั้ ง, งหลายเจออยางนึกถึงความชั่วที่ทำมาแล้วต่ไหนใครความชั่วต้อบาปบาแล้วชั่วถ้าเราถ้าทำแล้วก็แล้วก็ไปกึดต า, ารนึกถึงมันเวลาที่เราทำบุญนึกถึงบุญอย่างเดียวโดยเฉะอย่างอย่นาวรดาจะพูดภาษาที่อาชีพต้องฆาสัตสัตที่ก็กินพูด ท่านตัวเวลาทำบาปเวลากลับมาบ้านมาถึงการบูชาระเวลาดังเรามาได้สุขบาตรึรือสุขพระอย่างเดียวก็โดยความอย่างที่ถึงเจ้าสงสอโด้วยการภาวนาภาวนาเกิดเป็นสมาธิสมาธิแบบเรื่องความตั้งมั่นให้จิตใจเรานึกถึงแต่ความดีอย่างเดียวคือบุญความดีที่เราจะกอบเปนดับแรกก็คือพระพุทธเจ้า ถผูนั้นพะเจาหรือว่าถ้าผู <t akers> ้นั Madame, ้นอ <t akers> ู่องค์ใดหนึ่งก็ใช้ได้ให้กระติดใจกระไว้จะนั่งจะนอนจะเดินจะเดินนึกถึงพระเจ้าอย่างเดียวถ้ะถึงวลาที่จะทำบาบก็ไปทาบาป็นการไปทำบาปเป็นธรรมดาของพวกเรือสัตวพรเจ้าก็ไม่เคยห้ามใครพระเจ้าเคยพูดว่าอาขาตาโรตถาคตตา็ถาคตแต่เพียงผู้บอกคือทรงแนะนา เห็นเลว่าในสมัยเจ้าสมบัติจันอยู่เวลาไม่กี่ล่าที่คุในสมัยพุทธกษัตริย์ตายจากความเมก็เกิดอวุจีหมานรกตอนมาก็เกิดมาเกิดเปลาปรากต่สีทองลูกชายลูกยุ่มบรรดาลูกยุ่มห้องบรรดาชาะเมงเมื่อพ่อแม่ไม่อยู่ลูกก็จะเด็กก็เอาแหวนด้ผาดเล่น ในเมื่อโดยพ่อจะได้ก็ผปิดปลาเสื้อชีพทอาขึ้นมาพ่อแม่ก็ดีใจที่ลูกเราเริ่มแรกในการหาปลาเพราะโดยกาเกิดชีพทองในเขาแม่น่ามากในเขาดีมากในขาหินเรว่าถ้าอยากขายก็ไม่ได้กำไรเท่าไรไม่ได้เงินตังเท่าไรยิ่งตั้งใจจะไปถวายพระพุทธเจ้าหรือมาท่านได้ําปลาใส่เรือไปถวายพระเจ้าา พระเจ้าพิมพ์าลยกด้วยพระหุ่นปลาคแรพระเจ้าพิมพ์ศาลก็ถามว่าเป็นเพราอะไรพรเจ้่พระเจ้าทรงจาบว่ามหาราชแล้วเขาวตถาคตพปลาตนนี้ดมทีเป็นท้าสนในพรทธศาสนาแล้วในตอนปลายของศาสนาพุะธศาสนในตอนนั้นทรงพระใจมีเดชพราะว่าไม่เคยปฏิบัติความดีทาด้านทางจิต คิดอย่างเดียวว่าเราเป็นคนมความรู้ก็สอนพระปงคหยกไม่รู네้สึกทุกขามากในตอนต้นก็ดีมีการสเสริมคุณพระใจมีรู้ข้อพุทธธรรมแบบสองแต่มาภายหลก็สงเสริเหมือนกันจะติดในลาบมีการถือตัวถืกเปเนว่าเราเป็นคนมชื่อมีเสื่มากมรู้สึกทุกขามากไม่รับสาระมากเวลาการสอนก็สอนติดตัวจากคำสอนองค์พระพุทธาสนามพุทธเจ้า ต่อมาบรรด า, า, าพระสมฆ์หลายที่เป็นพระหาราลานอ่คนี้ได้แต่ตำรายอย่างเดียวนะเพราะแต่ต้องสื้อย่างเดียวไม่เคยเป็นสมถานชางก็ไม่ได้อาลางก็ไม่ได้เป็ น, น ก, ก, ก็มีรู้สึกมากเพาว่าเป็นโคตรพระตระกบรรดาพระหลานเมื่อไหรว่ราการสอนก็งกบิลลวิขุผิดแผกไปจากพระเจ้าสนทร์ก็ไปตัดเกือท่านก็เลยด่าพระหลานเขาให้รหลานก็ต่ดถอยหลัง ไปตามพระพู่ชายจนไปพระหานไม่ปาเข้ามาถ้าพูชายที่ในปาก็ข้ามาตัดเตลื่อนคือพระหลังแกก็ไปว่าจะก็ด่าพี่ชายอีกพระอาวสัย้วยเคยสงสัคุณพ่ะตั้งใจจิงมีเกิดเป็นทองอาวสัยนี้กรรมบาพระอริยเจ้ายิงมีปากห น, นึบที่ร่างนั้นตายังไม่เปิดปับ ก็มาคุยกับผ็้พูดเมื่อพระเจ้าอยู่ในฐานพระเจ้าเฉยเฉยพระเจ้าพูดไามพระเจ้าพรดสารบอกอยากฟังตาพูดท่านถามว่าคับีร่าพคุเีลาที่ก่อนท so, th th er ี่จะมาเกิดเป็นปลาด้วเธออยู่ที่ไหนเธอก็ตอบว่าข้าพุฒิเจ้าโยมจีมหานรกถ้าใช้ทาคาสอพระเจ้าอห้เป่ยไปจะข่ายขึ้นไป ท่านถาม่าแม่กับน้องสาวคนไทยอยู่ที่ไหนก็ต่อไปเรื่อยๆดีเีมือนกันพระเชื่อมันดทาทผูใช้เขาไปไหนไปนิพพานเพียงเ้ามือเล่าก็มีความน้อยใจโอ้แทบายก็ข้างเรียตายไทยก็เลยอรจี น, นมาลบไปเพราะเป็ว่าถ้าจิตใจเลาไม่ถึงบาปแม้จะมีความรู้ดีแม้จะมีความบนญพระ เรื่วงเรื่อาวของปนาชญก็ตามถ้าจิตใจยังครบความชั่วอยู่เวลาตาจิตนี้เป็ความชั่วก็ลงอาเีวทนไม่รบกับกันตายไปก็เไม่อรามิกาดโจรตั้งกัปตันีิกาดโจรเป็นคนมีคบไม่ได้มีลักษณะกต่างกันกับนอื่นตั้งไปเกิดมาไม่เคยสร้างความดีพอตามาก็ปอยู่นวจรจนห้าร้อยพวกหารคน คือพวกเาบ้างรือค่าเขาบ้างส่งเชียงเดือนลาวบ้างมันคัดบ้างเป็นต้นในที่สุดราชชีวิคือเจ้าผู้รัฐบาลก็จับได้เมื่อเจ้าตัวผู้รับาลจับได้แล้วถ้าจอฆาดไม่ยอมฆ่าคนห้าร้อยคนก็มันมากเกินไปกำลังใจไม่พอเจัถามเขาหนาจะว่าเธอฆ่าหรือไม่ได้ไหมห้าร้อยคนถ้าเธอฆ่าได้จะเล่นชีวิตของเธอ ให้เป็นผู้จัดฆาดเขาหน้าจะร่รับไปได้เขาถามร่วงมาด้ที่นนายกจเป็นตัองท้ายแถวนายกรตจนรับราาดได้เขายิงสั่งฆ่าปลเกันทบดี่าร้คนตายหมดเขาก็ตั้งใจเป็นผู้จัาดหลังจอไม่มาเขาฆ่าเรยมาตามมาลีระว่าตอนที่กระโจนฆ่าคนเกินกว่าห่คนในฐานะเป็นผู้จัาด วันหนึ่งตอนการโจรต้อง้นจากรากการเพราะเกษียณเยอแก่มากเกิดไปฝันคนเขาฝันเขาคนทีเดียวไม่ขาดโดยการทรม า, า, มารย์เพราะจึงไม่เกษียณโดยการได้เงินทอมากเงินทอมากไม่ฐานะพิกาพอดีคราดีจะรวเรางเศีษฐีนะวันหนึ่งตอนีกรจรคิดว่าเราเป็นที่เก่าดร่างกากยต้องเปดทุกวันแต่งตัวสวยก็ไม่ได้ จะร่างที่ร่างดีๆือไม่ได้เวลาที่เราเข้าราชการแล้วไม่ต้องทํางานแบบวกันไม่ต้องเปิดเือนเรา อ, อยากจะแต่งตัวสวยๆเมื่อเด็กสาวเข้ามาบอกมางจงไปซื้อผ้าสัดเอกไป้ผ้าสองขืนพ่อจะมุ่งขืนหนึ่งพจะมุ่งหนึ่งลูกสาวก็จะซื้อมาให้ถ้าต่อมาก็บอกใสยว่ า, า, ข, วาข้าวดีๆเพ่อไปซื้อให้กิน กขเป็ขพาฆ่าจงไปธรรมาในเช้าไปข้ามคนวันนี้ต้องการกินข้าวนะพวกปราชญ์เชิญข้าวดีฉัเลิกแตสมัยนั้นอาหารชันเลิกลูกสาวก็ทําให้เมื่อทําข้าวเมื่อพวกปราติเสร็จก็บุรุษเอาข้าวไปแล้วตั้งบูปที่นั่งแล้วเอาข้าวทำข้าวมาวางไว้เขาคิดใจว่าจะกินข้าวตั้งใจว่าจะกินข้าว เวลาดันตาก็หลุดไปเห็นภาษาญี่ปุ่ยืนอยู่หน้าประตูความคิดภาษาญี่ปุ่นตั้งใจไปโปรดไม่เห็นพระอดในภาษาญี่ปุ่นนะไมเมื่อจะเห็นพระขาเมเมืองบุญเข้าสนาเมืองเก่าเข้าสนนอเรานึกในใจว่าตั้งใจเกิดมาเราไม่เคยสร้างความดีเ่งช่วุฒบุญสไม่เคยทาวันนี้เราจะกินข้าวมาทประยาาที่มันยากกมาหลสิบปีแล้ว แต่ไม่ได si ้ก e este. no, so ินราะว่าเวลานี้เขาสาว่าเของค์เขาเพระเที่ยวแ้ขสารีบุตรแก้องพรสาวกมาจืนขึ้นหน้าประตูเราควรจะถวายทายแก่ท่านเมื่อคเดี๋ยวนั้นแล้วก็ลงจากที่นั่งก็ไปบนบนพระสารีบุตรก็ไปเต้นให้พระสารีบุตรมานั่งแทนเขาก็ข้าไปเจงพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ตั้งใจติดตัวเาก็เริ่มเชิข้าว เวลาใช้ข้าวใช้ตาใช้ตา จ, ตาจตําเดือตนดูตาฤกษ์โารตีฤกษ์จรทั้งทั้งที่อยากกินมาหลายสิบปีแต่วันนี้จะได้กินไม่ได้กินก็ทํางลายไหลถ้าใช้ยุบก็หยุดฉันถามว่าโยมมีความกระหายหรือตาฤกษ์โจรบอกว่าก็าาาหายเยาาาาายขรับผู้อยากกินมาหลายสิบปีแล้วแต่วันนี้พระองค์เจ้ามาก็อยากไปทำบุญไม่ได้เลยทบุญ ท่านก็ถามว่าอาหารที่โยธรามที่เป็นของอาตมาแล้วใช่ไหมท่งพิจารณ์บอกว่าใช่ท่าก็ถามว่าอาตมาจะแบ่งให้ใครในโยจะห้ามไหมท่านพิจารณ์ก็เลยบอกบว่าในฐานะที่เป็นของพระคนเจ้าแล้วพระคนเจ้าจะให้ใครก็ได้จี่นี้บอกว่าพระยงั้นโยมไป น, นํพาพระจระประมางเมืองเมืองเมืรูปอาชามาะมาเมืองรูปก็นํามาให้ก็แบ่งข้าวขึ้งหนึ่ง สมน่็ทำเกรเจ้าก็บอกว่าอันอาจจะมาให้ถ้าท่านก็ใช้าท่านเปนเกษตจ้ก็กินเมื่อทำเกษรเจ้ได้กินก็ความชุ่มชีความดีคลามสันิมากขึ้นในเมื่อฉันเสร็จเรบร้อแล้วตามดาพระต้องให้พระพเพรา่าให้พรในสมัยนั้นไม่ใช่ยถาสตหมอนสมัยนี้ให้พรในสมัยนั้นก็คือเทศซึ่งก็คคุยแนะนาให้เข้าใจ ว่าความท <The> ัดความดีกูมีผลไปอย่างไรบ้างควาชัวมีผลไปอย่างไรบ้างการเทศในขึ้นต้นใหาสัตว์เทศเทศกุญญาณมาปฏิบาตเวาการฆ่าสัตว์ประชิพมันบาปขนาดไหนการฆ่าคนมันบาปขนาดไหนข้าคนหนึ่งคนบาปคนาดไหนฆ่าคนสงคนบาปอะไรฆ่าคนเป็นร้อยเป็นพบาปอะไรตกรกคนไหนในการอย่างไนบ้างกู้ละเอียดหมด ต้อกเผาไฟเผาในห้องก็เป็นแผ่นเหล็กแดงเชิงเชิงรวดถูกๆข อ, ของของทางดาบทางขั้นทุกเมื่อทุกขษนามากตอนนี้กาโจนฟังไปก็ตกใจว่าจีวิาทเทศเมื่อเติ้งก็แปลาทุกอย่างเราตายใจความเป็นคนต้องลงมารกันแน่มันสุกหัแตกร่อไนไนรอใจ ร, อรอ่อนไนหัวแตกอาชา ท, ท, ที่หมดกระจกเท็ ทำใหโยมท่านเพื่อทำให้สบายใจหรือถ้าคุเจ้าเพ่อจนสบายไม่ไหวครับที่พุณเจ้าเพื่อจะมันตรงก็ผมหมดทุกอย่างไม่น้ว่าไอ้ห้องที่สี่เหลี่ยมเป็นเหล็กแดงเผาชนต้องวิ่งไปที่ที่นั้นมันก็จัดผมต้องอยู่ที่นั่นแน่ไฟพุ่งมันต้องสี่ทิศผมก็ต้องถูกไฟแน่ค้อนสัตว์หอกแ้งดับฟันผมก็ต้องถูกแน่ห้องน่งพิงผมก็ตําบากแบบนั้น ถ้าสอนดีหนุ่มท่าฉลาดากว่ากระจิในความจริแล้วคนฉลาดน้อยจะดีกว่าดีกว่าคนฉลาดมากถ้าฉลาดจริงจิด้วยบารมีก็ว่าเป็นไรถ้าฉลาดด้วยความโด้วยเร่โแ ห, หญิงใช้ไม่ได้ทุนรกแม่แล้วถ้าคนกระจิงโก้จริงจริงนะถามว่าคนกระยมโยมฆ่าคนละยมตั้งใจฆ่าโดยเจตนาของตเองราความไม่ชอบใจ เพราะว่าใครใช่ใโยมข้าตั้งใจไว้แว่าผมไม่จะข่าเองครับคนที่ผมข้าผมไม่เคยรู้จักไม่เคยโรรกรธถ้าพระราชาใชใ่ข้าต่อมาเราส่มูกระถางว่าโยมฉัมรู้ว่าโยมมีนามีนายร้อยไร่ต้นนายเจ้านายใช้่าโยมทานาเมื่อได้ข่าวแล้วข้าวทั้งนาจะเป็นคนโยมเลยของเจ้านาย พระภิกษุโยบอกว่าข้าวในนาทั้งหก็ไปของเจ้านายที่รับผมก็ได้เป็นข่าเจ้าท่านก็ถามว่าในเมื่อข้าวทั้งนาเมื่อเขาใช้โยมทําเมื่อทําแล้วไปขอเจ้านายเมื่การค่าคนในพระราชาสังให้ค่าใช่ไหมท่านบอกว่าใช่ท่านสระสงฆ์ทีว่าในเมื่อโยมไม่ตั้งใจจะค่าเองไม่ได้หมดพระราชาสั่งค่าบาปจะตกบนใคร ในความจริงพระเจ้คข่ายก็ต right? <t> ้องบาปเพราะว่าตามด้วยไงจ้เจงโง่ของภาษาดิบดุคือก็ไอ้บาปทั้งหมดไปอยู่กับราชาเหมือนกับเจ้าของนาต่อไปเราสองุือฤทธิ์วัดในเมื่อบาปมันไม่อยู่กับเราจงหยาดทธิ์ึงบาปตอนที่ไปตั้งใจนทธิ์ชิงบุให้กระเทยท่านกระเทยอันยรทานกระเทศอันยงทานจบก็ปราโวดำให้ขจรเป็นประโรราบันนี่บรรดาบันเป็นบริษัทรงหล ความจรงปรญญากาจนมีบาปอรหันเป็นเป็นเป็นมหันยมากเยอมากเพราะฉะนั้นว่าอาใส่เวลาด้านจิตใจช่วตนเองไม่มีบาปตั้งใจฟังเทศการฟังเทศรู้เหมือนพระเจ้ากล่าวถึงพระพุทธเจ้าจิตก็รูกถึงพระพุทธเจ้าขณะที่พูดไปเป็นเสียงตั้งใจวังเสียงเสียงเป็นมาธรรมถ้าพระพุทธเทศพระปัญญากาจนก็เป็นความรู้สัยก็เป็นประสงค์คบใจสนาคมต้องสามดรวยการ เมื่อมือรำใจเข้าใจในทางภาษาทางการแล้วภาษายี่ปุ่นแนะนางเ้าสาสิบห้าเวลานีก็กจะรวยมากแล้วไม่มีความจะเป็นต้องทำลายหินห้าเมื่อจิตใจเขาพระพุทธเจ้าพระทาประสองแล้วทรงสิบห้าไปสุดก็เป็นพระสดาบันพระสดาบันคี่มีแค่นี้เวลาีพระเดชชรัตถทงหลายซ้่งมาขออาตระผู้รัตถจเรื่องราวก็ต้องมีจนไว้เวลาที่เรามีความจาเป็นต้องทาบาปก็ทา ไม่จะยุญญ่งอะไรทำบาปจะไม่มีความจาเป็นพระเจ้าก็ไม่ไ้ห้ามแต่ถึงเวลาทาบุญก็ตั้งใจทาบุญจะ บ, บุชาพระตั้งใจนึกพระเวลาใส่บาทตั้งใจนึกทยนการให้ตั้งใจนึกพระว่างๆเามีลมวา่างก็ภาวนาอย่างน้อยที่สุดก็ใช้สมาลังพุโทโก็ได้อะหล่ก็ได้สมาลังก็ได้ตัดใจชอบธรรมะประสาวก็ได้แต่การภาวนาให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเพราิเศจะม่อารมใจธรรดาพราพุทธบรสั์จกชิน เมื่อจิตมันชินเลมันาจิตมันชินนานึถึงพระพุทธเจ้าจนเป็นปกติเวลาจะตายบาปจะเข้าสิงใจไม่ได้แต่จะมันจะมาถึบุคุณก็จะพาบรรดาเจ้าพุทธบริษัทาไปสวัสดอย่างร้อยอย่างกายสุขแะริสุทธอลาบรรดาเจ้าพุทธบริษัทาเวลาลื่นมันก็แข็งพูดเป็นชัดก็เหื่อยเวลาก็หมดแล้วตของงจะมี ในยุคสมัยพระธรรมมาเดชนาเนี่ยจะมาสร้างเขตั้งปัญญาติฐานอ่างปัญญาสื่สร้างใจมีพระพุธรัตนะธรรมรัตนะตจสังวรัตนะสงสารด้วกันดวงบรดานมรดานางพุทธวิสัตทุกขันมีความสงสาพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผใจจงกระรองและดจิตวิจิตผอนใจทั้งสี่ประการมอลูกวันนาสุขภาพรับัติภาน่าพัฒนาสิ่งใดก็ได้สห้นทุกขความปัญหาจนต้องการ อาจจะมาภาคะธันออกจนำมาเขาฤกิ์จิประมระเทิสาตรงคงไว้จากนตรงนี้เอวังก็มีตัตวการก็มี